ในการทำงานในแต่ละวันของเราเนี่ยทั้งฝั่งทำงานนี่หมายถึงว่ากิจกรรมที่เราเราใช้เวลาส่วนใหญ่ ช่วงเวลาที่เราใช้ไปส่วนใหญ่ของวันเนี่ยส่วนใหญ่ของชีวิตของเรา หรืออกุศลเกิดมากกว่านะบางทีอาจหรือมีอกุศลเกิดมากกว่านั้นเช่นว่า มากของวันด้วยมากของวันด้วยอันนี้อันตรายมากนะในทางตรงกันข้ามๆอย่างงี้อยู่เรื่อยๆอย่างงี้ ทำงานอ่ะในช่วงที่เป็นอกุศลเช่นในซัซซี่ทำงานนี่โอ้มันมีแต่แข่งแย่งชิงดีจะหาเวลาที่จะ 2-3 ชั่วโมงไอ้ชั่วโมง 6 ชั่วโมงนี่กลายเป็นแบบคุยจับกลุ่มนินทานะสาระไม่มีเที่ยวกิน 2-3 ชั่วโมงอย่าง เราจะนั่งทํางานให้มันเรา 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงนะบางคนเป็นหรือบางคนมาก ออกไปในทางดีว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไป นะแต่ปรึกษาเพื่อนแล้วก็มีทางแก้ว่าอาจจะคิดงานไม่ออกอยู่ 2 ทางเท่านั้น ในที่ทํางานเราก็ตามในโรงเรียนก็ตามหรืออะไรนะแล้วแล้ว ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างเอา 3 เดือนที่ผ่านมาอาทิตย์ 1 okay? ที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมานี่จะเป็นตัวที่กําหนดทางฝั่งเป็นตัว ที่คุณจะสบายใจหรือไม่สบายใจจะเป็นตัวว่าวันเนี้ยหรือพรุ่งนี้คุณแล้วไอ้พรุ่งนี้หรือเมื่อคืนนี้นะวันวันเนี้ยจะเป็นตัวกําหนด ไตรมาสที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวาน ถามว่าถ้าในปัจจุบันสมมุติอดีตเนี่ยเราเลือกไม่ได้บาง พอเราไม่สบายใจมาเราทําสิ่งไม่ดีมาเราไม่สบายใจมามันมีอยู่มันมากัดกิน เราเลือกที่เราจะทำณปัจจุบันคือบางคนเอาข้อนะคุณละเลยสิ่งที่คุณทำโดยความเป็นสิ่งที่ที่ต้องทำนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเออันนี้มันไม่ดีคืออดีตมันมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีจะให้ทำยังไงอ่ะก็เลยเป็นข้ออ้างว่าปัจจุบันฉันจะ ไม่ถูกคุณคิดไม่ถูกถูกคุณคิดไม่ถูกหรือถ้าเราคิดว่าชั้นเมื่อวานเราใช้ นะเราต้องทําดีปัจจุบันเพื่อหวังผลว่าเออพรุ่งนี้มันจะได้ดีขึ้นนะอาทิตย์หน้า พอพอนี้ที่นี่หมายถึงพอใจนะพอใจ นั่นคือความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมว่าฉันทําไม่ดี นะทําแล้วดีทําแล้วงามทําแล้วมีประโยชน์แน่นอนเราทําไปสูงเป็นมงคลแล้วนะพรุ่งนี้เราก็ทําอีกแล้วพรุ่งนี้ นะวันพรุ่งนี้เราทําอีกนะๆนะเราทําอย่างเงี้ยไปตลอดในเมื่อวันก่อนได้พูดถึงเรื่องของแบบเบี้ยทบต้นเนี่ยเราทํา แล้วโอเคว่าเราจะโกรธเค้าอื้อเราไม่โกรธนั่นบุญเกิดทันทีความดีเกิดขึ้นทันทีเราจะด่าเค้าโอ๊ยเราจะนอนต่ออื้อเอาวันนี้ลุกขึ้นซะด้วยเราทําพิจารณา net a lot และเราใช้ช่วงเวลาที่เราใช้เวลามากที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการได้หนังสือการทํางานติด เราใช้เวลามากที่สุดของวันของเรานะใช้เวลามากเออฉันทํางานก็เท่านี้นอน มันหลับหลายไปแล้วไม่มีสติก็นี่แหละเราสร้างสติให้เกิดในเวลานอนได้มั้ยบางคนนี่ นะกลับเป็นการพักผ่อนโดยที่ตัวเองมีสติก็ได้เดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มบางทีก่อนนอนเราทํา ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างนะเราไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องมานั่งสมาธิอยู่ในท่านนั่งนะแต่เราใช้เวลาที่เราใช้ ทำได้น้อยก็ดีแล้วทำให้มันมากขึ้นไปทำมากก็ดี อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะต้องมาเฉพาะเวลาฟังธรรมะฟังธรรมะก็ดีแน่ พบกัน